ถ้าอยากทําอะไรและอยากได้อะไรนี่ทาให้ได้ เ, ออเป็นเป็นคนที่ควมรู้น้อยที่สุดแต่มาทํางานอยู่ที่เมกาเน้อได้ทํางานดีที่สุดอีกเพราะว่าความเพียรพยายามของน้องนี่นะอยากได้อะไรต้องทําให้ได้ฉะนั้นน้องก็เลยมาเปรียบเทียบเห็นว่าความที่แตกต่างหลังจากที่น้องรู้ว่ามันยังเอาทุกในใจนี่ออกไม่ได้เพราะเราก็รู้เนาะเวลาเราปฏิบัติมา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 มาพบสายงานของหลงพุทธยันสาธุที่บ้านลสัสเวกัสนานะนะเป็นเมืองนรกจริงๆนะคุณพี่ทําไมจะพูดว่าเป็นเมืองนรกบ้านนั้นเป็นบ้านการพนันเราก็ยากที่จะมีคนที่จะผลเหวเข้าวัดเข้าวาย่างเงี้ยถ้าไม่ทุกจริงๆเขาไม่เข้าหรอกเพราะว่าที่นั่นไม่มีบอลผลคลายคือการพนันน้องคนหนึ่งที่ทํางานอยู่ในคาสินโนแต่ไม่ได้ทําเรื่องหน้าที่ตรงนั้นหรอกน้องเป็นซูเปอร์ไวเซอร์อยู่ที่ ห้องอาหารเป็นคนที่ออกกันนาเป็นคนที่รับแขกมันก็ไม่ได้ผิดเรื่องสินดอกถ้าพูดพูดธรรมดานะนะแต่ถ้าเข้าใจลึกๆแล้วเออมันมันออกเองมันโอเคหลังจากนั้นน้องก็เลยรู้เลยว่าตัวเองไม่ได้ไปไหนความทุกข์ยังเหมือนเดิมก็เลยโชค ด, ไดีได้มาเจสายงานของหลวงพอ่อก็เลยได้ติดตามท่านเลยก็ขั้งแรกก่อนน้องจะได้รู้ท่านเพราะว่าได้ฟังซีดีของท่าน ท่านพูดเรื่องสติสองระดับน้องจับใจมากเพราะว่าก็เคยได้ยินครูบาอาจารย์หลายท่านที่เทศแต่มันไม่ได้สะดุดใจของน้องเลยแต่วันนั้นนะท่านเทศท่านบอกว่าคนเรานี่มีสติอยู่แต่เป็นสติของสติปสติของสันสัตยานท่านพูดแต่น้องขอโทษนะคุณพี่น้องพูดภาษาบาลีไม่ได้เลยนะแต่จะพูดแบบเข้าวๆที่ว่าเข้าใจในคําพูดของท่านได้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 แต่สัตว์เดรสารเขาก็มีเหมือนกันท่านว่าโอ้ยน้องเจ็บใจเลยนะท่านว่าทำไมเอาเราไปเปรียบเทียบกับสัตสาสัตว์เดรสารอย่างนั้นมันมีความกังขาในใจเลยน้องคิดว่าเอ๊ะทำไมหลวงพ่อเนี่พูดแต่มันก็น่าคิดนะเราก็มาตึกตองดูว่ามันก็เป็นเรื่องจริงเราก็มีสติระดับนี้จริงๆอยากกินเข้าไปกินอยากนอนก็ไปนอนอยาก ทำอะไรก็ทําตามใจตัวเองเอ อ, อยากได้เงินก็หาหามลุ่มหามค่า ม, มันก็จริงของท่านแต่ว่าเออเราท่านก็นยังบอกว่าละคนเราเนี่นะมนุษย์เราเนี่ยนะยังมีอีกที่ว่ามันแตกต่างกว่าเขาคือมีแช้นทุจขพัฒนาสติตรงนี้ขึ้นมาเป็นสติปัฏฐานได้และจะเอาทุกออกจากตัวเองได้เออมันน่าคิดไ อ, อ้ตัวเองตงองัวเองนี่มีทุกเนาะก็เลยได้ความคิดของท่านเออมันก็เรื่องจริงโอ้ยเราต้องเข้าไปศึกษากับท่าน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 เออมาท่านก็เปรียบเทียบหลายอย่างแก้วใบนี้มีน้ำอยู่ถ้าโยมอยากจะกินน้ำโยมจะกินได้ไหมแก้วนี้มันเต็มอยากจะลองลดน้ำเพราะว่าน้าที่โยมมีนี่เป็นกาแฟนะ่ะลมอยากเทสว่าน้ำนี่เป็นรสอย่างไรโยมจะทำโอ้มันมีหลายอย่างที่ท่านให้ปริญณารรมาโอ้มันเป็นเรื่องจริงแสดงว่าเราต้องปรุงซะก่อนน้องก็เลยหยุดหลับตาแล้วก็มาเคลื่อนไหว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 จิตใจมันเห็นอะไรตามความเป็นจริงเลยเห็นความทุกข์ของตัวเองว่าทําไมมันทุกข์เรื่องลูกเห็นไหมตัวอย่างน้องทุกข์เรื่องลูกมันก็รู้เลยว่าโอ้เพราะว่าเราอะยังมีเราอยู่ยังเป็นตัวเราอยู่อันนีเ้เขายังเด็กเขายังทําไม่ได้เราอยากให้ได้ดังใจเรามันก็ไม่ได้แต่เรายังเอาใจของเราทําอย่างเราไม่ได้มันเกิดความรู้ความเข้าใจเลยในการที่เข้าใจรูปน้ํานี่มันเปลี่ยนแต่น้องนั่งพุโทโธน้องก็เข้าใจนะเรื่องรูปน้ํา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 และลึกถึงคุณหลวงเข้าใจใจแต่ยังไม่รู้นะว่าตัวเองเข้าใจลูกนามแต่มันรู้ออกมาในใจอย่างนี้มันหลุดไปความทุกข์ที่ในใจที่มันไปเห็นความทุกข์ว่าเราไปเป็นผู้มีตัวมีตนกับคนนั้นคนนี้มีอาการแลยมันรู้เข้ามาทั้งหมดเลยมีระดับหนึ่งของเข้าใจลูกนามนะไอ้เรื่องพิธีลีตองเรื่องความรักสวยรักงามไอ้ความทุกข์ที่เนี่ยน้องเป็นคนชอบสวยมากแต่งที่สุดออกสังคมนี่ ไม่แมสก์กันกับสามีนี่ก็ไม่ได้อะไรมันเป็นคนเจ้าระเบียบว่า ง, งั้นเถอะยู่ไม่แมสก์อย่างแต่ต้องเน็กไทยต้องแมสก์อย่างนี้ตลอดมานี่มันทุกข์นะเรายังไม่รู้ผมนี่ทุกทุกหกเดือนต้องดัดต้องทําออกจากบ้านลิปสติกไม่ใช่นี่ไม่ได้ออกเลยเล็บนี่อ ย, ยาวทาเราเทคแคร์แขกเราต้อนรับแขกเราต้องให้ดูดีดูสวยเห็นไหมมันปิดหลังจากนั้นเข้าใจรูปนามนี่มันเห็นทุกทันทีเลย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 หลังจากทํางานมาน้องจะเข้าปฏิบัติเก็บอารมณ์ตัวเองตั้งสัจจะอธิษฐานเนี่ยที่เข้าใจวันแรกนี่ก็ตั้งสัจจะอธิษฐานนะศีลและสัจจะนี่จะช่วยเราได้มากที่สุดเลยน้องนะอธิษฐานเลยจะนั่งสามชั่วโมงนี้จะไม่ลุกก็ไม่ลุกจริงๆนี่นี่เป็นคนจริงไอเรื่องตรงนี้แหละที่จะเข้าทําเห็นทำํำถึงมันจะเหนื่อยถึงมันจะอะไรก็สร้างไอ้เรื่องสัจจะนี่เข้ามาครองในใจเราเลย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 โรคแอสไมา่าโรคหัวใจโรคกระเพาะอัลเลอร์จีนี่นะทุกอย่างมาค้ายหลังก็ไม่ค่อยจะดีเราคิดว่าเออจะทําอย่างนี้หรือกินยาบําบัดมันก็ได้แต่ว่าใจในเรานี่มันยังไม่ได้มีตัวนี่นะตัวเข้มแข็งตัวรู้สึกตัวนี้เขาเปลี่ยนไม่ได้ดอกเรื่องอาหมอาหารนี่นะเพราะว่าเราเคยกินเคยอยากใช่ไหมเราเคยทํามาอะไรอะไรที่เราเคยทํำนี่น่ะท่านเอิญว่า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 ทุกอย่างคิดว่าเกือบจะเป็นฮันเดเปอร์เซนแล้วเรื่องสุขภาพนะน้องไม่ได้ทนันหยุดทานยาเลยนี่แก้ไขตัวเองมาก็เพราะความรู้สึกตัวตัวนี้แหละที่พัฒนาจากคนที่คนขี้โลคขี้โกดขี้หลงมันก็ลดลดลดลงมาเราวัดแท็กเราได้ว่ามีอะไรเยอะแค่ไหนนี่แหละน้องจังบอกว่าตัวเองมันแก้ไขตัวเองได้แล้วก็กล้ากรารันตีได้ว่า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 ให้ต่อเนื่องได้นานๆเนี่ยท่านอาจารย์ท่านนั่ง 4, สี่ห้าโมงตัวท่านไม่โยกเยกเลยนะนี่อินทรีย์ท่านแข็งแต่เราเนี่นะสองสัโมงนี้มันไปแล้วพอทบคอเทาวไปแล้วนี่แหละน้องจังไม่รู้เลยว่ามันเปลี่ยนไม่ได้แต่ไอ้เคลื่อนไหวนี่นะทำได้ทุกวันเลยทั้งวันเลยก็ได้เราเปลี่ยนได้หลายอริยบทแต่ขอให้ทนเขาจริงๆทําจริงๆแล้วเขาจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเราได้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 น้องบอกว่าโอ้สาถุเป็นสากรจริงๆทำได้ทุกสถานที่ทุกอาการทุกเวลาได้หมดเลยแล้วถ้าเข้ามาครองจิตใจคนไหนละก็เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้น้องรู้ได้ว่ามันหลุดที่สิ่งเก่าๆที่น้องมีนะคือคือพิธีรีตองนี่ออกหมดเลยขวมอ้อนวอลหรือสัตว์อะไรนี่นะน้ม น, น้ำมันอะไรนี่มันหลุดออกหมดเลยไหว้พระ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 ขวมเลย่แก้วตรงนี้มันมีน้ําคอฟีไม่เอาลอะหงายขึ้นมาให้ท่านเอาน้ำเปล่าๆให้ดื่มเลยได้น้องลองมาทุกอย่างแต่ตัวนี้นี่โอมหัศจ์ัจจัจริงๆน้องบอกว่าตายเกิดใหม่แล้วหายสงสัยในพุทธศาสนาแล้วชีวิตนี้ก็คิดว่ามอกให้พุทธศาสนาไปหมดแล้วทั้งตัวละขนาดโจมกระเพาะอยู่างนี้หลวงสพ่อว่าเดินสายแล้วนะไป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 เข้าใจตัวเองได้แก้ไขตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ได้พัฒนามาจงึงลดละตัวเองลงมาได้ก็ชิตังเมได้คือออกงานได้เพราะว่าคนเราต้องรักชีวิตนะเงินทองไี่โอเคมีคนเลี้ยงเราอยู่แต่เวลาจะเป็นจะตายนี่มันต้องกลัวตายเนาะจะทำไม่ได้แต่น้องบอกว่าลาทำสิ้นนี้ซะ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 หลายๆอย่างนะ้ะก็อยากให้กำลังใจว่าสิ่งที่ได้เข้ามาพบท่านนี่นะก็ยากน้องติกว่านะกัวจะได้เจอท่านก็เกือบค่อนคนแล้วเนาะถ้าบุญไม่มีก็อาจจะไม่ได้เจอเลยแต่ดีแล้วได้เจอท่านแต่ท่านก็ให้บทเรียนเราแล้วหรือให้ตำรับตำลาหรือว่าให้อะไรก็ได้ภาษาไทยไม่รู้จะพูดว่าท่านก็ให้วิสาเราแล้วก็เอาไปทำลองดู